อากาศน้ำหนาววางมีอากาศหนาวมันมีหนาวมีห่อนมีฝนรังค่อนกับมักห่อนรังค่อนกับมักหนาวขันคู่ไดมักหนาวกับแม่นขือวางข้อดีขันพอดวางมันข้อดีในเป้าภาวนาเด้อโอโ้อากาศหนาวมาแล้วจะคล้องมักนเป่าภาวนาอ่านภ า, าวนากับฮัตซ้อมฮัดกำหนด คิดเจ้าของระวังจิดเจ้าของบให้มันห น, น, น, นีนี่แหละสะกอนนั่นเลยพักภาหน้าเนยย่ามหนาวนี่แหะคันผู้มักหนาวแล้วมันใจมันต่อมดีใจมันอยูดด่ดีมันถือใจคันผู้บ่คันผู้ บ, บ่มักหนาวมันจะเดือดร้อนเดือดร้ อ, น, อ, อ น, น, น, น, นย่าใจบีนใจห้อนต่ายไปย่ามีนี่หละ พยงยามโตประโยชน์จากมันจากหนาวนี่ให้เบิ้งว่าขึ้นหนาวอยู่จนสิบดูไปชั้งเบนโบมาขึ้นโบมักาทำนนี่มันหนาวทำนี่ปุ้ยที่สูดได้ป๋น้อตั้งใจเรืยดีด้วยกดเอาเอาใจไว้นัานีีแหละอย่าให้มันหนีใจนี่ให้มันอยู่หนีอยู่นันดึงกันไว้นี่จ้องกันไอยนี่ระวังกันอยู่นี่แหละจ้องกันอยู่นี่แหละ อยู่น้ำกันจะข้าวมันเจ้าดอกอันนี้เรียกว่าเอาประโยชน์จากอันนี้ห่าโบมักอันเทาจีเบชาเอาเจ้าแนวห่อหมักเนี่นมันมันบ่อบ่ได้หลายดอกในโลกนี่มันี่น้อยนึงอันแน่วห่อถึอแน่วห่อหมักเนี่ยแนวโบมักมันหลายหลายเอาให้มันได้หดนี่แห่ะเครื่องแนวห่อหมักเครื่องแนวหอบมักเอาให้มันได้ละเอามาเป็นภาวนาให้ได้ คือจังนี่แล้วอาหารการกินของเขานี่แหละเป็นเนื้อก็เอามาเป็นอาหารได้ง่วตัวใหญ่ๆ ก, ก็เอามาเป็นอาหารสร้างก็เนี่ยก็เอามาเป็นอาหารหมูก็เอามาเป็นอาหารเป็ดไก่ตัวเล็กตัวน้อยเอามาเป็นอาหารพักก็เอามาเป็นอาหารแค่มันทักอีงังสบายอีงังนั่นแอลอ ยอดกับข้าวอยู่พี่หุ้นที่สูงสุดไปปั่มมันลงมากเอามาเป็นอาหารอ <c oughs> ย่างนี่แหละยันตกระตั้งพญี่ามป้อมลงมาเอามาเป็นอาหารเอามาเป็นประโยชน์อันแนวดีกระตามบ่ดีกรตามเอามาเป็นประโยชน์ในใดในดีซ่าหมอรักษาคนไข้นะั่นนะเขาก็เอาเชื้อโลกนี่แ่ละเอาเป็นแนวด้านรับหากินะ หมอเขาก็ปั่นโรคเขาก็เป็นอาชีพเขาแล้วก็เสื้อโลกบางชนิดทันเป็นประโยชน์อีกเนี่มันมี่ผิดเอาไปสกัดนะนี่เอาไปส ก, กัด เ, เอาเสื้อพิดนั่นเอาไปเป็นประโยชน์อีกะหาร์ริอเอร์เอ่าตัวเสื้อโลรคนะเอาไปปลูกเซลล์ข้นปลูกเซลล์ข้นข้น พัดต่อสู่เพื่อเล็กเพื้อน้อยเห็นร่างกายมันต่อสู่ใบหนิวตัวนี่ค่วมตานท่านได้บอลนี้เรียกว่าอเอาวัคซีนไม่ใช่วัคซีนนี่มันเอาเชื้อโรคหังหลักไปปลูกเห็นล้วพ่วมบอดีแนวบอดี่ะทุกคนเอาประโยชน์ได้อืมเอากระเอาซื้อกันโมเมนต์เอาแนวดีแนวดดีกันค่อยจีเลือกเอาแนวดีดีจังค่เลือกเอาอย่างเช่นละบ่ได้หลายดอกอย่างเช่นมานม่เอาเมด พอให้มันได้เมดมันหากนี้ดอกแนวดีหนึ่งหี้เอาหีบเอาแนวดีๆออกให้มันได้นักภาวนาเขาได้เม็ดละได้ถึงแนวถันแนวดมันแนเขามามันถึงย่ามเขามากเกี่ยป่าวภาวนาอันถึงแน่เขาบม่มาไปยาม ฮ, น, ฮนี่ปดปอ้หลายทุนหลายแบบดีขึ้นมากแได้ได้นาปศนำทุนหลายนี่ยได้ถึงยามด้ยได้ถึงงถแนว กันขันเจ้าีเหล่าได้เลยะโได้กลุ่มกลุ่มต้นเงินค่อนลงต้นเดี๋ย้จะได้ได้กำไรเสียเนี่ยขันพูดสลาดว่ะขันผู้โบสลาดแต่โอ้ยหนาวเลยแรงหายจะกองไฟืะทับโศกันคุยกันเรื่องนี้คือกขันเลือ่องอาภูมักมวนมักยิ้มมักโง่มักแจ๋วเนี่ยขันพ่อมองกับของโง่ของแจ๋วดีใจเลย ขันเเท่าภาวนาเนี่ยเอาให้เอาประโยชน์ทึงสองอย่างเข้ามาค้นสงอบอืพอหอดวางใจมันมันสงบเข้าแก้วกำหนดยิดกำหนดใจรักษาใจที่มันสงบนั่นก็ได้แล้วนะ่ะมาที่นี่ไปหอดวางนี่มันค้ น, ค น, ค น, คนหอน้องบนแก้วหูคนหลายๆทรงเสียงแก้วยังเสียกำหนดจึดห้องนี่มึงได้อะไรเจน เสียงแฉลๆแฉลสิสกำหนดนิ่งไว้นี่โอ้กับกำหนดนิ่งกำหนดใจนิ่งไว้จมันกับเป็นการซอสู่กับอารมณ์แจ้งแส่แฉลแฉล์นวนไปวนมาเน่เาหยุดนิ่งได้โอ้ได้กำลังหลายจ้ะเพราะฉะนั้นเขาให้มันได้สงบมัดขึ้นย่ามเด้อย่าติกติดไปง่าเหมือแลงยังาน็นงราวนาเ้าจะยังเป็นพาวนาเอาให้มันได้มัดกินเขาเยอะกต่ซ้อมเบื้องใจ นี่มานางยองสีมิดิดแหงพุยเพปากหงดีข้ามเอาข้มสงบสิเด้ยคันเฮ็ดไก่คือวางคือย่ำอยู่ในร่งอันไหนใเฮ็ดใดถือ่โอ้นี่จะได้เด้ยนี่จะได้คือผู้กู่าผู้ขายตาแหลมคนอ่ะขายได้เมืท้องค่ากะขายได้พัดแหงแตงหัวกะขายได้ กินเนื้อเนื้อมูฟูปลาก็ขายได้่าปอนแค่ปั้นก็ขายได้วิก็ขายได้ห่อชีก็ขายได้ขีใส่ขีเพชรข้งก็ขายขายนเงินเป็นเม็ดเนี่ยนั่นห้ตลาดพอข้าหตลาดเขาเป็นเพ็ดเขาอ่ะหาอเอ็งเปนได้เนี่ยเพชรชื่อเสียงมือมือหนึ่งยินงวานข้นดาหนูเนี่ยข้นดานม่ก็เป็นตะตั้งของคนแบ ได้มีแต่ขาได้เลยมีคนไปจางมาดาอยู่นะท่านแล้วเขาไปงี่ง่าเอาดีด้ะงงมาเขาไม่ย่เอาวิธีเอาดีองเขากำหนดคิดมอมเข้ารักษาคิดรักษาให้มันเป็นสมาธินะผันตัวคิด แ, แตบยายยายป่อยไม่คิดจระโหลกเปิดตัวลงไปคิดแต่เมื่กจะคิ ด, ดมันไม่ดีด้ะไม่ดี น, น้าไปร่มนีด้ะท่านยายตตะอ่อน ท่านม้เลออนมือผูกวัานเข้าออกเข้าออกวันนะีนะมุติกได้ประโยชน์เนียได้ประโยชน์ทางด้านอัศวนาะบรุษขึ้นดอกมุสติเอามือหนีแม่บ้านพระพระกันขอสิน